ที่จริงเขาหักผู้หญิงคนนี้แต่ห้องบริตรงกันผู้หญิงที่อยู่แค่โตแต่หัวใจอยู่ตตกับผู้อื่นฮัลโหลค่ะพี่อาร์ฮาร์ดฮัลโหลแอมแอมพี่คิดถึงอแอมแอมจังเลยอะแอมแอมก็คิดถึงพี่อาร์เหมือนกันค่ะคิดถึงมากมากเลยค่ะงั้ <c oughs> <c oughs> น, นวันนี้เราไปขี่รถเละน่นกันไหมได้ค่ะแต่ว่าที่ไหนดีอะคะหรือว่าที่เดิมของเราก็ได้ค่ะ อายักทุกวิธีทางอย่างได้นั่งเป็นเมียแต่สุดท้ายก็เสียให้เข้าไ ป, ปสิพี่สัยสักข้างนอกไปห้านกับ Big Bite นั้นเปล่าจะไปไหนก็เลิอกของฉันไม่พออาจัยก็เลิกไปเลย รักที่เคยสวยงามเปลี่ยนไปเพราะใจของนางเริ่มสิจื้อจาบองบอกมีความหมายนี่มาตรงไป ที่เคยสดใสเริ่มสิกไลายความจริงจากให้เป็นผู้หญิงนองเป็นนางมันรายสิ่งที่ไอ้ไฟฝันนับวันมันยิ่งพังไอร้ระมวนความวังต้องมานั่งเสียใจเฮ็ดให้ไอ้หมูว่าความหักเมื่อแน่นอนน้ำตาเบียกหมอนนอนฝันรายให้นองไปสาไปห้าคนขี้พูดๆ ไปแล้วยังวนไปสาไปเอาคนใหม่ลอยไอให้เหงาซึมเศร้าคนเดียวเรื่อยไปบอกต้องสมใจปล่อยไอตายล้ำตาขอให้ฮักครั้งไม่นองไปดีเธอนะอย่าเดือดเสียน้ำตากลับมาก็แล้วกันใครจะคล้องรักกันไม่ถึงวันอยากไปถ่ายมาหนึ่งก่อนเขาพาแก้วตายหน้าสิพาไป どんたいしぼぱいろふわんな。てどんたんたんてたうれんわん。へいのんぱ、はいさぱいは他の他のこんていふわんぱい leo やんほんぱいさぱいあおこんな い, いな。い เอาแข่งรวดกันดีกว่าถ้าในฉะนะเราจะยอมให้ออมแอมไม่อยู่กับนายและถ้าเราฉะนะออมแบบนี้ต้องหลับมาเป็นแฟนเรากันเดียวโอ้ละน้อสิบอทดน้ำไปเถิดเอวบ้านให้น้องไปสาโอ้ละน้อ どっちもいいぞ。 どこかで一緒にいるよ。 「バイザー」「バイアー」「ティーポバイレーオン」「バイザバイアー」<今>「ンマン」s <S いい「ロイアイアー」「センス」 ที่จริงเข้าหักผู้หญิงคนนี้แต่เข้าบอร์ตรงกรันผู้หญิงที่อยู่แค่โตแต่คงเข้าจะอยู่กับผู้อื่นให้นองไหมซะปะโถ่เอา ม, มึงเสือวะหมอใส่ห่างห่างจังมั่นนี่ ไปแข่งชนะบิ๊กไบซ์เอ้ยเมื่อเซกโกสีไปชนะเมื่อเซกบิ๊กไบซ์พุ่นรวยซีซีทุยพันซีซีแบบงัวนี่แหละถามมันเบิงถามเบิงถามมันเบิงเป็นเด็กละชนะเด็กเนี่ยถ้าอยากหัวถามมาพ่อยใส่แกเปล่งนินจาเบิงถ้าอยากซีเบลเตะกับซีเบลสูฟังเอาไหนเอาลุงฟังเบิงคบนะไอ ริงเยาใส่จวกเอาไปย่าใส่ทางนำมั่นมั่นหัวเชื่อไงหลวดมั่นหัวจับว่าหลวดมันไปจังไหนนอกกับมองให้น้องไปสาไปห้าคุณที่คู่ควรไปแล้วยันควรไปสาไปเอาควมใหม่ลอยอ้ายให้เหงาซึ่งสาวคุณเดียว 懐柄あんぱいらんぱ